ขี้เกีาดีไม่ได้ดอกไม่ว่าเรจะทําอะไรนะท า, ทางโลกทางธรรมทํา้องจริงๆทําบ้างไม่ทําบ้างไม่ไหวเมื่อก่อนคนจีนอพยพมาเมืองไทยนทำมาหากินค้าขายอะไรเนะี่ยคนไทยไม่ทําขายของขายของไม่มีบรรจุดคนไทยชอบทํานาไปไทยนาเสร็จไปว่านข้าวเสร็จดูแลต้นข้าวเงี้ยมันก็ได้พักบ้าง เข้าออกรวงไปเจียวข้าวนวดข้าวขายข้าวเสร็จแล้วมีเวลาพักหลายเดือนเลยเลยไม่รวยคนจีนขายของหับของขายพายเรือขายของขายทุกวันไม่เลิกเลยเลยรวยการพาวนาก็เหมือนกันพาวนาแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็นานๆมาทำทีหนึ่งเลยฟิตขึ้นมาทีก็ขยันทีหนึ่งขยันไปช่วง ไม่กี่วันแวความขี้เกียจก็ชนะถ้าอย่างนี้เราไม่มีทางหรอกกระทั่งจะเอาธรรมะไปเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในโลกก็ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่ถ้าเราภาวนาสม่าเสมอนะปฏิบัติอย่างศีลห้าอย่างี้รักษาสม่าเสมอมันก็มีอานิสงส์าการมาฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นทุกวันทุกวันฝึกทุก ว, นกกวนันก็มีอนิสงส์ เจริญปัญญาเรื่อยๆก็มีอานิสงส์อย่างถ้าเรารักษาสีลห้าให้ได้เป็นเดือนขึ้นไปนะตั้งใจแล้วรักษาได้เป็นเดือนขึ้นไปบางคนก็รักษาเข้าพรรษาถึงเข้าพรรษาที่ตั้งใจรักษาสี่ห้าอออกพรรษาไดนะ้นึกถึงแล้วมันอิ่มใจมันเกิดปิติเกิดความสุขสมาธิมันเกิดเลยอันนี้เขาทาต่อเนื่องมันก็มีอานิสงส์ ได้ความสุขได้สมาธิอย่างง่ายๆสมัยพุทธกาลนี่มีพระองค์นึงมาบวชคารว่าดแหละมาบวช เ, เป็นพระแล้วก็พยายามภาวนาคนรุ่นเดียวกันมรลุมรรคผลไปหมดเลยเหลือท่านอยู่องค์เดียวไม่ได้อะไรเลยเข้าฌานก็ไม่เป็นอย่าว่าแต่มรรผลเลยนะแค่ทําสมาธิก็ยังทําไม่ได้เลยท่านก็เสียใจ รู้สึกว่าอาภัพเหลือเกินวันหนึ่งกเอามีดโกนมานะปาดคอตัวเองเลยยืนพิงผนังอยู่ว่ามีชีวิตอยู่ก็ป่วยการกินข้าวชาวบ้านทุกวันยังไม่มีความดีติดตัวเลยนี่พอปาดคอไปแล้วนะยังไม่ตายเลือดจะไหลท่านกันนึกได้ว่าเอ๊ตั้งแต่บวชมาเนี่ยเราก็มีความดีเหมือนกันนะบวชมาเนี่ยถือศีลไม่เคยดังพร้อยเลย พระพุทธเจ้าให้ถือกี่ข้อถือหมดเลยไม่ยอมด่างพร้อยตัวท่านเองเนี่ยไม่สามารถตีเตียนตัวเองได้ว่ามีศีลด่างพร้อยคือมองตัวเองก็ไม่เห็นเลยว่าจะด่างพร้อยตรงไหนบอกเพื่อนสหทธันมิกพวกพระด้วยกันก็ไม่มีองค์ไหนเลยเคยว่าว่าท่านทําผิดศีลผิดธรรมอะไรกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตําหนิท่านเลยเพราะท่านคิดได้ว่าท่านมีศีลดีจิตท่านก็สงบ ได้สมาธิในขณะที่ใกล้จะตายนั่นเองได้สมาธิขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีสมาธิไงแต่ก่อนนั้นไม่มีสมาธิพอไม่มีสมาธิเดินปัญญามันก็ไม่ได้ผลนี่พอจิตมันสงบมันสบาย ม, มีกําลังขึ้นมาเดินปัญญาได้เห็นร่างกายจะตายใจเป็นคนดูขึ้นมาดูไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ตายพวกพระก็ไปถามพระพุทธเจ้า พอกพิสูุรูปนี้ฆ่าตัวตายตอนนี้ไปตกนรกที่ไหนอยู่พระเจ้าบอกว่าพิสูรองนี้ไม่ตกนรกนะพิสูรนี้เป็นพระราหารชนิดชีวิตตะสมาสีสีเป็นในขณะที่ตายได้หรือท่านไปแตกหักได้ตอนขาดใจตายพอดีเลยบรรลุแล้วก็ตายเลยนี่แค่มีศีล น, นะมีศีลเฉยๆพวกเราก็เหมือนกันที่หลวงพ่อสอนสอนไว้พวกเราถือศีลไปเรื่อยๆ พอเดือนสองเดือนสเดือนเท่านั้นนะจิตมันเปลี่ยนแล้วขนาดทำอย่างอื่นยังไม่เป็นเลยนะตั้งใจถือศีลจิตมันมีพลังมีกำลังขึ้นมาจิตใจตั้งมั่นจิตใจเบิกบานนึกถึงศีลมันเกิดปิติมีปีติมีความสุขนี่มันเข้าใกล้ฌ า, านเข้าไปเต็มทีแนละ้วนี่มีปีติมีความสุขจิตมันก็ไม่วกแว้สุกซนไปที่อื่น จีมก็อยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขมันก็ได้สมาธิขึ้นมามันได้ง่ายๆอย่างนี้เองให้เราตั้งใจถือศีลห้าไว้คนไม่มีศีลจิตจะฟุ้งซ่านอย่างคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นคิดทำร้ายสัตว์อื่นจิตฟุ้งซ่านคนที่เมตตาคนอื่นเมตตาสัตว์อื่นจิตสงบคนที่คิดลักขโมยเขาจิตฟุ้งซ่าน คนที่ไม่เอาของคนอื่นนะมีเหลือเฟือก็ยังแจกคนอื่นได้อีกจิตมีความสุขมีความสงบคนทำทานเงี้ยมีความสงบมีความสุขมากกว่าคนคิดขโมยเขาคนที่สันโดษในคู่ของตัวเองมีความสุขมีความสงบไม่วุ่นวายเหมือนคนที่อยากมีกิ๊กพวกเราถ้าใครมีกิ๊กมีแก๊กเลยเลิกเลิกแนะไม่ดีหรอก ใจจะฟุ้งซ่านจะเอามักผลนะมีกิดโอ้ยากนาะยากมากเลยยังไม่เคยเห็นเลยว่าคนปิดศีลแล้วจะได้ธรรมะสมมติว่าเราไปจีบผู้หญิงได้สักคนนะอิ่มออิ่มใจโอ้หาผู้หญิงได้เรื่อยๆมันจะอิ่มใจได้สักกี่ปีสร้างความด่างพรอยไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนเรามีศีลมีธรรมนะยิ่งแก่เรายิ่งเปึกบาน คนแกโซโครกดูไม่ได้เลยอายุสักห้าสิบกว่ากว่านะดูงมดูมอมแมมเต็มทีคนมีศีลมีธรรมนะอายุตั้งร้อยยังผ่องใสเลยอย่างสมเด็จยานดูท่านใสมากขนาดท่านไม่สบายนะหลวงปู่คล่ำเนี่ยพวกเราบางคนอาจจะไม่เคยเห็นอายุร้อยกว่าปีแข็งแรงสดใส หลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่อะไรทั้งหลายนะที่หลวงพ่อไปเรียนกรรมฐานด้วยแต่ละองค์แต่และองค์ยิ่งแก่ยิ่งผ่องใสไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งสุดโศมนึกถึงแต่เรื่องเศร้าหมองนึกขึ้นมาทีไรก็มีแต่เรื่องผิดศีลทุกทีเลยะอย่างนั้นไม่ดีงั้นความสุขจากการผิดศีลนั้นมันมีแต่มันมีแวบเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันมีโทษเจืออยู่เยอะเลย ตั้งใจรักษาศีลคนที่เจ้าชู้นะมากๆในกามภานาลำบากใจวอกแวกคนซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองมีสันโดษได้ธรรมะคือสันโดษถ้าเรามีศีลเราก็จะมีธรรมแถมขึ้นมาเสมอหละอย่างเรามีศีลข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเราจะได้ธรรมะคือเมตตาครุณา โดยง่ายถ้าเราไม่รักขโมยของคนอื่นนะไม่อยากได้ของคนอื่นอเงี้ยเพ่งเด้งโลภความโลภของเราก็จะลดลงถ้าลดลงมากๆเนี่ยมันทำทานได้อย่าว่าแต่จะเอาของคนอื่นเลยให้เขาแล้วมีความสุขมีส่วนเกินเรากลับบ้านไปลองไปสำรวจนะของในบ้านเราอะชิ้นไหนที่ไม่เคยจับมาปีหนึ่งแล้วนะเอาไปแจกซะเถอะรกบ้าน ชาตินี้คงไม่ได้ใช้แนะบางคนเห็นเสื้อสวยๆนะซื้อมาตัวก็เล็กกว่าเราอีกซื้อมาเราหวังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อวันหน้าตัวจะเล็กลงโอ้โหฝันไปเถอะเอาไปแจกเถอะอยู่ทรมานใจตัวเองเลยนะเอาไว้ให้คนที่เขาขัดแคลนเนี่ยเราได้ไประโยชน์ละสันโดษในคู่ของตัวเองก็ไม่หมกมุ่นในกาม ได้ได้สันโดษเราไม่โกหกหลอกลวงใครเราได้ธรรมะคือสัจจะเราเวน้นศีลเว้นการทำผิดศีลข้อ4ีเราก็ได้ธรรมะคือได้สัจจะมาไม่ปริ้นปล้อนหลอกลวงเป็นคนจริงมีสัจจะแล้วดียังไงมีสัจจะแล้วพูดจาแล้วคนเชื่อถือพูดจาแล้วคนเชื่อถืออย่างเราสมมติเราจะขายของนะ ของเราดียังไงเราก็บอกของเราด้ อ, ย, รร อ, อดยตรงไหนเราก็บอกเนี่ยให้คนซื้อเขาตัดสินเมื่อหลาก็ติดใจนะเขาเชื่อถือเราก็ เ, าเชื่อถือเราถ้าเรายอมแมวขายนะเขาก็แ้นเราซื้อทีเดียวเราวไม่เอาละคนนี้เชื่อไม่ได้ถ้าเราไม่กินเหล้าเมายานะถือศีลข้อห้าเราจะได้สติสัมปชัญญะง่ายแม้ถ้ามีศีลเราจะได้ธรรมด้วยนะจะได้ธรรมะด้วย เรื่แต่ดีๆทั้งนั้นเมตตากรุณาทานสันโดษสัจจะสติสัมปชัญญะได้ความดีมาตั้งเยอะนะแล้วพอนึกถึงเนะี่ยปีติก็เกิดนึกถึงว่าเราได้รักษาศีลมาตั้งนานแล้วเป็นเดือนๆสองเดือนสเดือนนี่ปีติก็เกิดปีติเกิดใ จ, ใจมีความสุขใจมีความสุขใจมีความสงบเอกาตาเกิดได้สมาธิ งั้นมีศีลแลจะมีสมาธิอัตโนมัตินะเรียกศีเลเนะสุขติยันติมีความสุขงั้นตั้งใจรักษาศีลแล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติจะขี้เกียจไม่ได้ถ้าขี้เกียจห้ามไปบอกคนอื่นนะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทหลวงพ่อประโมทไม่เคยขี้เกียจตั้งแต่เจ็ดขวบภาวนาไม่เลิกเลยภาวนาไปเรื่อย ตอนเด็กๆท่านสียนักเสมบ่อยเจ็บคอไข้ขึ้นกินยาฉีดยานอนนอนก็นอนหายใจนอนหายใจไฟพุทโธไฟหายใจไปฝึก อ, อย่างนี้เรื่อยๆทำอะไรก็ภาวนาครูบาอาจารย์สอนให้ทำอะไรนะกีปีกปีก็ไม่เลิกขนาดไม่เห็นผลเท่าไหร่นะเรียนจากท่านพร่รีท่านสอนอนาปนาสติเราเรียนได้แบบเด็ก ได้แต่สมถะคืนวิปั ส, สนาไม่เป็นก็ทําสมถะอยู่อย่างนั้นยี่สิบงปีงั้นเรื่องสมาธิเรื่องอะไรก็เล่นมาแต่เล็กๆนะแต่เล่นแล้วไม่มีครูกํากับให้ดีถ้าไม่บ้าไปซะก่อนพวกภาวนาปิดนะบ้าเยอะมีโอกาสบ้าเหมือนกันพานาเก็ได้สมาธิมัในใจมันสว่างออกข้างนอกไปไปรู้ไปเห็นของข้างนอก ดีว่าวันหนึ่งมันเกิดเฉลียวใจขึ้นมานะออกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรเงี้ยเกิดนึกขึ้นมาว่าถ้าเกิดใจมันไปนรกไปดูผีถ้าเจอผีนี่แย่เลยลืมไปอย่างนะว่าคนโบราณเรียกเทวดาว่าผีเหมือนกันผีฟ้าถ้าเจอผีแบบเทวดาเราไม่กลัวเจอผีกโกโลโกโสเนี่ยกลัวหลวพ่อเป็นคนขี่กลัวผีนะ กลัวอย่างร้ายแรงท่านเด็กๆกระทั่งลูกแมวที่บ้านตายนะกลางคืนพยายามฝืนจะไม่นอนนะกลัวแมวเข้าฝันรู้สิกลัวได้ละเอียดลอกลัวผีอันดับหนึ่งเหมือนกันนะกลัวแมวเข้าฝันเดี๋ยวผีมันมาเข้าฝันพยายามจะตื่นนะหายใจไปพุทโธไปเพราะกลัวผีแมวด้วยพยายามจะตื่นตื่นเหมือนกันนะแต่ตื่นเช้านะตื่นที่เช้าเลย ไม่ฝันถึงผีแมวหายใจนอนหายใจไปเรื่อยๆมาเจอหลวงปู่ดุลตอนอายุยีิบเก้าแล้วหลวงปู่ดุลให้ดูจิตดูจิตก็ดูไม่เลิกเลยดูจิตก็ดูไม่เลิกเลยเหมือนที่ทำอนาปัสติทำไม่เลิกเลยเราทำสม่ำเสมอไม่ทอดทิ้งทั้งสมถะทั้งวิปัสนาแมไจะเห็นผล รู้ผลด้วยตัวเองครูปอา จ, จารย์มีหูมีตาท่านก็รับรองผลใช้ได้ใช้ได้เอาตัวรอดอย่างเงี้ยยิ่งเราฝึกไปนะความแตกฉานมันจะเกิดคอยรู้คอยดูอย่างเราฝึ ก, นะา ก, ก อ, อ, อ า, ากอนาปนสตินะีฝึกทีแรกเราก็คิดไม่แค่หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรืได้ความสงบอนไรต่ออะไรโอ้ยแต่จริงๆนะอานาปนสติเนะี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นตัวแม่ของกรรมฐานเลย เป็นตัวพ่อตัวแม่กรรมฐ า, านเลกรรมฐ า, านอื่นเนี่ยด้อยกว่าอนาปนสติเนี่ยอาศัยฝึกนานนะค่อยจับหลักจับประเด็นได้ไม่ค่อยมีใครสอนหรอกอาศัยทอนาวอาอนาปนสติเนี่ยทำสมาธิได้ทุกอย่างเลยได้ตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิทําได้ถึงฌานที่สนีะ่ถ้าจะต่อยอด ขึ้นอรูปประชานก็ดูจิตดูอะไรตอบไปเลยก็เป็นอรูปประชานไปเรียนได้ทั้งคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธินะแล้วเวลาใช้เดินปัญญาเนี่ยเดินปัญญาได้สารพัดเลยจะเดินปัญญานําสมาธิก็ได้ใช้สมาธินําปัญญาก็ได้ใช้ปัญญากับสมาธิควบกันก็ได้อย่างเราทำอานาปานสติจิตทรงฌานอยู่เนี่ย เรากเจริญวิปัสนานในฌานเเห็นองค์ฌานเกิดดับได้ด้วยนะจะทำได้สารพัสเลยมันเป็นตัวแม่ของกรรมฐานจริงๆเลยหรือจะพลิกไปเป็นอภินยาก็ได้อย่างการหายใจเนี่ยถ้าหายใจเอาความสงบนก็เอาจิตจับไปที่ลมหรือจับที่ร่างกายที่หายใจด้วยจิตใจสบายๆจิตใจมีความสุขจิตก็สงบแล้วพลิกไปเป็นเล่นเป่งของเล่นเอาไปจับอยู่ที่ตัวลม นะไปจับที่ตัวลมการที่จับอยู่ที่ตัวลมมันคือก ส, สินลมนั่นแหละนะดูลมมันไหลผ่านจมูกไปเรื่อยๆเนะีรู้อยู่ที่จมูกเราเนี่ยนะในสุดลมมันจะค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะหายใจที่เ้ิ่มยาวเริ่มไปดูในอานามพนาาัสติเริ่มต้นถ้าจะพูดถึงลมหายใจยาวแล้วค่อยลมหายใจสั้นแล้วลมหายใจสงบลมหายใจยาวหายใจลึกลงไปถึงท้องให้นะ พอจิตสงบเนี่ยลมจะตื้นตื้นตื้นตื้นขึ้นมาอยู่ที่ไปลายจมูกแล้วสงบลงไปตรงที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจนี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตพอลมมันหยุดอยู่ที่จมูกมันกลายเป็นแสงเรียกว่าอุคหะนิมิตแล้วจากแสงเนี่ยเราทิ้งลมเลยนะไม่ต้องไปห่วงลมละนี่ตรงนี้ก็ต้องใจกล้าถ้าใจไม่กล้าก็ากลัวตายจะกลับไปจับลมอีก ถ้าใจกล้าก็จับอยู่ที่อุขาหานิมิตจริ ง, รงๆร่างกายก็ยังหายใจหรอกในหายใจน้อยๆไดนะหายใจอยู่เท่าที่จำเป็นเพราะการเผาผลาพลังงานนี้ใช้น้อยนะจิตมันสงบแ ล, แล้วเราอยู่กับอุขาันิมิตอยู่กับแส ง, งนี่ได้ไปชนาน้ชํานาญในแสงนะเราเล่นแสงได้กำหนดให้สว่างกว้างขวางออกไปให้สว่างเหมือน จิตเราเป็นพระอทิตพระจันทร์อยนั้นสว่างไปก็ได้นะหรือเราย่อแสงลงมารวมจิตลงมานะแสงมันก็จะบีมตัวลงมาเหลือเท่าจุดยิ่งมันเล็กลงเท่าไหร่นะความเข้มของแสงจะยิ่งเยอะขึ้นเรืนะ่อยๆนะเราเล่นเล่นๆ น, น, นะสนุกจิต ท, ที่มันไปจับอยู่ที่แสงนะเรียกว่าวิตกจิต ท, ที่มันเข้าเคลียอยู่กับแสงโดยไม่ได้เจตนาไมห่หนีไปไหนนะเรียกว่าวิจารณ์ ป, ปีตีมีความสุขเกิดขึ้นมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นจิตเป็นหนึ่งอยู่กับแสงนะจิตก็เข้าปฐมฌานนะหรือถ้าจะพลิกนะขึ้นไปเรื่อยๆพลิกไปเป็นมันเล่นเป็นกระสินได้นะกระสินอันนี้เล่นขึ้นจะเข้าฌานถ้าเล่นเป็นกระสินเนีพยพอเป็นแสงแนละ้วจ้องอยู่ที่แสงรักษาแสงไว้นะฉะั้นดูลมเนี้ยก็ได้กสินแสง เกสินแสงเนี่ยเล่นไปทางอื่นได้เล่นไปทางทิพจักสุได้เล่นตาทิพเล่นตาทิพได้หรือเราเปลี่ยนหายใจเนี่ยแทนที่จะจับอยู่ที่แสงนะเราจับอยู่ที่รูจมูกจับอยู่ที่รูจมูกมีเกสินช่องว่างนะเล่นกสินช่องว่างได้หรือเรามาจับอยู่ที่ร่างกายที่หายใจเป็นเกสินดินได้ นโอ้โหมันพริแฟลงสารพัดเลยนะอานาปนาสติเนีเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นตัวแม่ของกรมรมฐานอื่นเลยเราทากรมารมฐานอื่นมานะพอจิตจะสงบนะมันจะลงที่ลมก่อนนะจะลงมาที่ลมก่อนแล้วมันค่อยรวมเข้าไปสงบคล้ายเป็นทางผ่านให้จิตรวมเข้าสมาธิเนี่ยอยู่ที่เราฝึกเอาความรู้ความเห็นความเข้าใจค่อยกว้างขวางขึ้นไป อย่างการดูจิตดูใจก็เหมือนกันหลวงพ่อดูจิตทีแรกหลวงพ่อนึกว่าดูจิตทั้งหมดเป็นวิปัสนาที่จริงดูจิตนั้นก็วิจิตพิสดารกวา้วางกว้างเหมือนกันดูจิตให้เป็นสมถาก็ได้ดูจิตได้สารพัดเลยไปเล่นกับศินก็ได้เหมือนกันนะิปสึกออกไปเป็นกับศีก็ได้เหมือนกันแค่ดูแล้วเห็นใจรักเห็นความรู้สึกทั้งหลาย ที่เกิดร่วมกับจิตนะเกิดดับไปเรื่อยๆหรือเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหหรือเห็นวิถีของจิตที่จิตขึ้นรับอารมณ์อย่างจิตอยู่ในฝ่าวังเนี่ยมันเกิดได้ยินเสียงหลักขังจิตมันก็เคลื่อนขึ้นจากฝ่าวังนะแต่ตอนที่เคลื่อนขึ้นมาเนี่ยจิตยังไม่รู้ว่ามีอารมณ์ทางทวารใดมาปลุกจิตพอจิตขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งแล้วนะจิตถึงจะรู้ ว่ามีเสียงแต่ตอนนั้นไม่มีคำพูดว่าเสียงนะจิตมันจะรู้มันจะรู้ว่ามันต้องใส่ใจในช่องหูมันจะไปเกิดที่ช่องหูคราวนี้มันจะได้ยินเสียงตอนที่มันได้ยินเสียงมันไม่รู้ว่าเสียงอะไรหรอกนะจิตในขณะนั้นก็เป็นอุเบกขามันมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจจิตดวงหนึ่งเป็นทาหน้าที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจชื่อสัมปติช น, นะจิต มันะส่งสัญญาณเข้ามาแล้วก็มีการพิจารณานะตรงนี้สัญญาณจะเข้ามาทํางานมันจะมาพิจารณาว่านี่คือเสียงอะไรนะเรียกว่าสันติระณนะนะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะตัดสินแล้วว่าไอเนี้ยดีไม่ดนะีมีการตัดสินให้ค่านะพอให้ค่าเสร็จนะจิตก็เริ่มเกิดสุขเกิดทุกข์ที่จิตละเกิดดีเกิดชั่วที่จิตละ ไปตามการให้ค่าแล้วจิตก็เข้าไปเสฟอารมณ์อยู่ช่วงหนึ่งเสฟอารมณ์เสร็จฉิตก็จะเซฟข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์เวลาจะปิดเครื่องมันจะเซฟข้อมูลเก็บไว้ก่อนตรงที่มันเซฟข้อมูลตรงที่เซฟอารมณ์นะเรียกชวานาจิตตรงที่มันเซฟข้อมูลเก็บไว้เรียกตถาลัมพนาจิตเสร็จแล้วจิตก็ลงผวาบอีกเดี๋ยวก็ขึ้นวิถีใหม่ขึ้นมาคราวนี้อาจจะไปรับรูปต่างๆก็ได้ หรือขึ้นมาแล้วไปรับอารมณ์ทางใจโดยตรงก็ได้นะแล้วแต่บางทีถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่มีความหมายจิตขึ้นมาทํางานนิดหน่อยแล้วก็ดับไปไม่เกิดการเสพอารมณ์ไม่ให้ค่าอะไรขึ้นมานิดนิดไหวๆให้นมาแล้วก็ดับไปเราจะเห็นเวลาเราเพภาวนานจะไหวๆให้มาแล้วก็หายไปไหวๆขึ้นมามันไม่ขึ้นเต็มวิถนะีเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจเนี่เราจะเห็นนะว่าจิตมันก็ทํางานของมันได้เอง มันวิจิตพิสดารจิตมีนานาชนิดจิตทำงานได้14อย่างทำงานได้ทั้ง14อย่างจิตมีทั้งสามตระกูลตระกูลที่เป็นกุศลตระกูลอกุศลตระกูลที่ไม่ใช่กุศลอกุศลเป็นกลางกลงนี่หลากหลายจิตเนี่ยอยู่ในในภูมิได้ทั้งหมดอยู่ได้ทั้งสภูมิอยู่ในกามาวาจรภูมิก็ได้ อยู่ในรูปประภูมิมรูปประภูมิก็ได้อยู่ในโลกุต ร, รภูมิก็ได้ไหจิตนี้เที่ยวไปได้ทั่วเลยกว้างกวางที่สุดนั่ในธรรมทั้งหลายเนี่ยจิตเป็นใหญ่ที่สุดเป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมทั้งหลายเป็นพระเอกจน ก, กระทั่งเราสําคัญผิดว่าจิตนี้คือตัวเราคือเราค่อยรู้ไปด้วยเราเห็นว่าจิตมันทำงานเป็นมาเป็นสเต็ปสเต็นะมันทาของมันได้เองไม่ใช่เราหรอกนะมันทำงานได้เองเป็นอนัตตา เกิดดับตลอดเวลาสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเป็นอนิจจังเห็นไปเรื่อยสุดท้ายก็รู้ความจริงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตไม่ใช่เราอะไรใดก็ในโลกนี้ไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วเพราะจิตเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวรรดเนี่ยที่หลวงพ่อฝึกของหลวงพ่อนะทางสมถะเนี่ยหลวงพ่อใช้อนาปานสติแต่เราฝึกจริงฝึกจริงนียมันจะรู้ขึ้นมาว่าโอ้มันแตกแขนงออกไปได้เยอะแยะเวลามาดูจิตดูใจก็ดูจริงนะ หลวงปูดูลย์บอกให้ดูจิตนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านบอกดูทุกวันไม่เลิกเลยจนท่านมรณาภาพไปแล้วก็ไม่เลิกดูใช่อาจารย์ตายแล้วสะใจแล้วว่าทีนี้ไม่ต้องดูตอนอาจารย์เป็นๆจะบอกให้นะตอนอาจารย์เป็นๆยังพอหนีนะตอนอาจารย์ตายแล้วเนี่ยเหมือนท่านอยู่กับเราทั้งวันเลยเราจะทำอะไรจะพูดอะไระคิดอะไรจะกินอะไรนะเหมือนท่านมองเราอยู่ไม่กล้าทาชั่วเลยนะ กลัวอายท่านอ่ะเหมือนท่านอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนเลยตอนท่านเป็นๆ เ, เรายังรู้สึกว่าท่านอยู่สุรินเนยเราอยู่บ้านเราเอาตัวรอดได้แต่ไม่ขี้เกียจนะไม่ขี้เกียจภาวนาทุกวันเลยแต่ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนกันพอท่านตายปุ๊บนะเหมือนท่านมาอยู่กับเราแล้วมาเฝ้าเราทั้งวันทั้งคืนโอ้โหคราวนี้แค่หลวงพ่อนั่งอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนจะเกิดอะไรขึ้นฮิดูนะ หัวล้าเลยใช่ไหมนึกออกเลยใช่ไหม <c oughs> มันน่ากลัวเฉนะรักษาศีลนะเราต้องทําให้จริงอย่าขี้เกียจทําบ้างหยุดบ้างไม่ได้กินหรอกถ้าทําจริงๆนะันใช้เวลาไม่นานยึดถือศีลสักสองสาเดือนก็จะเห็นผลแล้วนะฝึกทุกวันทุกวันฝึกทําทุกวันนะไม่กี่เดือนหรอกใจก็ตั้งมัน่นแยกธาตุแยกขันได้แยกธาตุได้ขันได้ชีวิตเปลี่ยนไปหมดแล้ว มีความสุขมีความสบายผิดกับคนทั่วทัวไปคนอื่นก็จมความทุกข์ไม่มีทางออกของเราออกจากความทุกข์สบายกว่ากันเยอะงั้นเรามีโอกาสแลนะนะที่จะเลือกวิถีชีวิตของตัวเองเราจะตามใจกิเลสแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเก่าๆจนกระทั่งแก่ไปตายไปหาสาระอะไรติดตัวไม่ได้หรือเราจะเลือกชีวิตที่สะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้น ยิ่งแก่ก็ยิ่งสะอาดนะเพราะชั่วโมงบิดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเลือกเอาเองแล้วละ่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้บังคับเราว่าต้องเชื่อท่านถ้าเราเชื่อเราก็ทำเอาเราก็ได้ผลของเราตอนนี้เรายัางไม่เห็นผลด้วยตัวเองนะอดทนทำนะช่วงเดียวเท่านั้นก็จะรู้ผลนะพอ ร, รู้ผลยิ่งถ้าได้ธรรมะแล้วเนี่ยเราจะรักพระพุทธเจ้าแน่นแฟนเลยไม่มีคลอนแคลนเลยนะถ้ายังไม่ได้ธรรมะก็อาศัยศรัทธานําไปก่อน ดูสิครูบาอาจารย์ทำไมท่านสดใสนะท่านอายุตั้งจะร้อยปีแล้วแต่ละองค์แต่และองค์ดูสดใสไม่กรปั้ากับเป๋นะดูมีความสุขใครก็อยากเข้าใกล้เราเคยเจอคนแก่ที่ใครๆก็เกลียดไหมใครใครก็ไม่อยากเข้าใกล้อย่างพ่อแม่บางคนนะเจอลูกแล้วด่าแหลกเลยถามว่าทำไมด่าโมโหมันมันไม่ค่อยมาเยี่ยมทำไมมันไม่เยี่ยมก็เยี่ยมทีไรก็ด่าทุกทีอ่ะ ะเนี่ยมันเป็นบวนอย่างเงี้ยนะแล้วใครก็จะรักไปลงอ่ะมันไปเจอหน้าก็ด่าเจอหน้าก็ด่าใช่ไหมไม่ฟังแล้วไม่มีความอบอุ่นใจเนี่ยถ้าพ่อแม่มีศีลมีธรรมใช่ไหมคนลูกหลานเข้าใกล้มีความสุขอ่ะไม่ต้องกลัวมันทิ้งเลยนะมันจะอยากมาหาเราคนอื่นยังอยากเลยอย่ า, าแต่คนเลยหมาแมวยังอยากมาหาเลยกระทั่งงูเห่ายังอยากมาหาเลยนะอืเออ หรางพอเมื่อก่อนอยู่บองกานะมีงูเพื่อนซีอยู่ตัวนึงมันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตัวเล็กมันอยู่แต่ถุนกุนแม่ชีนี่แหละมันเที่ยวไปท้งวัดเรานั่งสมาธิอยู่น่นะก็มาเลื้อยดึบดืบดบไม่กลัวเรานะมุดเอาหัวหมุดชัยก้อนหินตรงน้นตรงนี้หากินไปเรื่อยๆต่างคนต่างอยู่มีวันหนึ่งไม่เห็นมันเกือบเหยียบมัน ลงจากกุฏิมามันสลัวสลวเดินเลยไปแล้วทางเดินนั้นกว้างเมตรเดียวเดินเลยไปหางตามเห็นอะไรไม้อะไรมาท่อนหนึ่งทื่อๆอยู่ข้างๆใครเอาไม้มาจิ้งไว้ข้างทางหันไปดูอห้งูเหา่าอ่ะงูเหา่าเกือบเหยียบหัวมันเลยแต่ว่ามันไม่เคลื่อนไหวมันตัวแข็งงนี้ มันกดูกระดิกไม่ได้กดูกระดิกไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยสงสัยมีใครเขาเหยียบเอาไว้ไม่งั้นจะจาะเอกันกลางทางเนี่ยกระทั่งสัตว์นะสัตว์ก็ยังเป็นมิตรที่นี่ไก่ป่าเยอะเลยรู้สึกไหมเมื่อก่อนเราเคยได้ยินอะไรนะสมเด็จสุกไก่เถื่อน ไก่เถื่อยก็คือไก่ป่าไก่ป่าเชื่องที่นี่ไก่ป่าเชื่องดูพวกเราเดินจับได้เลยทาไมเชื่องอ่ะเพราะเรามีเมตตาเราไม่ได้ทาร้ายมันทีแรกมันก็กลัวๆนะก็มันเห็นเราบ่ายบายอยๆสัตว์ชนิดนี้ไม่ทำร้ายไก่มันก็จำไว้อยู่ด้ยกันได้เนี่ยอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขนะสัตว์ก็มีความสุขเราก็ได้ดูมันสวยดี สังเกต่างไก่ป่ากับไก่บ้านไม่เหมือนกันไก่ป่าที่นี่หูขาวนะเป็นฟันหูขาวไปดูสิจะมีติ่งหูก็เนี่ยขาวๆสวยกว่าพวกเราอีกพวกเราหูธรรมดา <c oughs> อ่ะไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับทําให้สม่ําเสมอนะอย่าขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็อย่ามาบอกคนอื่นว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโมท น, นะไข่หน้า